พระบัญญัติ6 6รกก็ภิกษุณีใดรู้อยู่ไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทําคือปาราชิตด้วยตนเองไม่บอกแกคณะก็ในการใดภิกษุณีนั้นยังคลองเทศอยู่ก็ดีเพื่อนไปก็ดีถูกนาสนะก็ดีไปเข้ารีดก็ดีภายหลังภิกษุณีผู้รู้เรื่องนั้นจึื่งกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนฉันรู้จากภิกษุณี นางมีความประพฤติอย่างนี้อย่างนี้แต่ดิฉันไม่ได้โจดด้วยตนเองไม่ได้บอกแก่คณะแม้ภิกษุณีนี้เป็นประชิกที่ชื่อว่าวัชชะปฏิชาธิกาหาสังวาสไม่ได้เรื่องภิกษุณีสุนทรีนั้น